สมเด็จพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระนามว่าภาควาทรงพระนามว่าอารหังทรงพระนามว่าสัมมาสัมพุทโธมีจริงไม่สงสัยขอถวายพระพรบ๊อบพิษพระราชสมภารในที่นี้พระคันธรั จ, จนาจารย์ประพันธ์คาถาแสดงข้อความที่พระนาคเสนถวายวิสัชนามาแล้วในเบื้องต้นมีใจความว่า ผูเขาหิมะานอัจจุขตะบันพศสูงปรากฏตระงานตาบุคคลได้เห็นแต่ไกลก็อนุมาณเข้าใจว่าเขาหิมะานนั้นมีอยู่ยะถาความเปรียบนี้มีครุวนาฉันใดพระธรรมบันพศของพระบรมไตรยโลกกนาศเป็นของเย็นประศจากิเลสมิรู้สะเทือนสถทานหวั่นไหวตั้งอยู่ได้เป็นอันดี บรรดิตผู้มีปัญญาได้เห็นแจ้งแก่ใจก็อนุมานได้ว่าอาโคพุทโภพวิสติสมเด็จพระมหาหมุนีพุทธเจ้าผู้จอมป ร, ราดประเสริฐเลิศกว่าสัพพสัตทั้งหลายมีอยู่เป็นแม่นมั่นตถาเอวะมีอุปมาฉันนั้นแหลสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินธราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคเสนะ ข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาในภายนอกพระพุทธศาสนาก็มีศาสดาคณาจารย์ทั้งหลายแสดงโลกสมุดและธรรมคีรีได้ถมไปด้วยเหตุนี้จึงยากที่จะให้โยมเชื่อว่าพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่พระผู้เป็นเจ้าจงกระทาอุปมาอุปไมให้ยิ่งไปกว่านี้จะได้เป็นที่เชื่อถือต่อไป เรื่องเปรียบเทียบจตุทีปะกะมหาเมฆกับธรรมเมฆพระน่าเกษสนจริงอุปมาอุปไมยว่ามหาราชขอถวายพระพ ร, พรบพิษพระราชสมภารยังมีมหาเมฆอันชื่อว่าจตุทีปะกะมหาเมฆเมื่อจะตั้งขึ้นให้ฝนตกนั้นมีนิมิตบังเกิดเป็นสําคัญคือเบื้องบนอากาศนั้นเป็นกลุ่มเป็นก้อนห่อยย้อยดุดซ้อยสังวาน มีดอกไม้สวรรค์บรนดาลตกลงมามีมหาวาตาค่อยพัดมาเรื่อเรื่อยเย็นเชยชื่นสบายมนุษย์นิกรทั้งหลายก็สโมโงสรยินดีอันหนึ่งมีเสียงอึงมีด้วยหัตถีโปดกอัศะโปดกทั้งสองร้องโกลจนาธสกุลชาติก็มาร่อนมาาปรามโมทยินดีมีสายอาสนีฟ้าแลบทั่วทิศ ท, ทั้งหลายมีกลีบเมฆมากมายกว่าหมื่นกว่าพัน มีสีสันต่างๆบ้างเขียวบ้างเหลืองบ้างแดงบ้างขาวบ้างเป็นสีหงสบาดและมีสีอ่อนแซมซ้อนสลับกันเ อ, อื้ออึงมีกล้องไปด้วยเสียงคล้องกลองสวรรค์บังเกิดเป็นมหันนิมิตอเนกจะนับไม่ได้จะเข้าใจซึ่งจตุทีประกามหาเมฆนั้นแต่ท่านผู้ได้ฌานเมื่อจตุทีประกามหาเมฆบันดาลตกลงมาฝ่ายว่ามนุษย์นิกรทั้งหลายทั่วโลกา เห็นฝนตกลงมาที่โตรกตรอกซอกทานหารหานห้วยหนองคลองบึงบางบ่อและสระเปียกไปด้วยน้ำและแผ่นดินชุ่มคร่ำไปต้นหญ้าใหญ่น้อยเขียวชอุ่มเป็นคราบอยู่มูมหาชนก็รู้ด้วยอนุมานปัญญาว่าฝนนี้เป็นฝนหาใหญ่ยะถามีขรุวนาฉันใดอันว่าธรรมะเมฆของสมเด็จพระบรมไตรยโลกกนาศาสตราาจารย์เจ้านั้น เมื่อจะให้ตกลงก็เหมือนกันพระองค์เจ้ายังโลกสวรรค์และมนุษย์นั้นให้อิ่มกเกษมสารด้วยหาฝนคืออมริตธรรมเพื่อยังน้ำจิตแห่งท่านผู้สถิตในที่จะได้มักควิถีแต่ท่านเป็นพระสมังคีให้ชื่นชมโสมนัสก็สำแดงซึ่งวิรัชตธรรมอันประเสรศิฐกาจัดเสียซึ่งราคะโทสะโมหะมานะทิฐิพระองค์กาจัดเสียซึ่งเครื่องระดา กล้าวคือความยินดีในการมาคุณห้าประการให้พี่นาฏขาดจากสันดานบรรลุถึงพระนิพพาน้วยธรรมเมฆอันประเสริฐและท่านผู้ปฏิบัติดีบรรดาที่ได้ชื่นชมไปด้วยธรรมเมฆนั้นบางหมู่ได้ตั้งอยู่ในพระไตราสารณาคมและศีลห้าประการศีลแปประการศีลสิบประการและบวชเป็นภิกษุภาพทรงพระปฏิโมกข์สังวรศีล บางหมู่ได้พระโสดาบางหมู่ได้พระสกิทาคาบางหมู่ได้พระอนาคาบางหมู่ได้พระอรหัตบางหมู่ได้ชื่นชมยินดีจะบริจาคทานบางหมู่ชื่นบานที่จะจำเริญซึ่งเมตตาภาวนาบางหมู่ยินดีในที่จะบูชาพระ ร, รัตนตรัยปรารถนาเพื่อจะให้ได้พระนิพพานมิจิตประสานนาการไหว้นบเคารพเป็นอันดี อาตมาเห็นซึ่งท่านทั้งหลายปฏิบัติตามวิสัชนามานี้เหตุชื่นชมยินดีในธรรมเมฆอันตกลงกล่าวคือที่พระองค์เจ้าตรัสพระสัทธรรมเทศนาไว้ก็เข้าใจด้วยอนุมานปัญญาว่าโอลาโรโสภควาพระพุทธองค์ผู้ทรงพระภาคเป็นอันงามทรงพระคุณอันยิ่งมีพระนามชื่อว่าอารหังสัมมาสัมพุทโธ ได้ตรัสรู้จริงในโลกนี้ขอถวายพระพรบ่อพิษพระราชสมภารในที่นี้พระคันธารจนาจารย์ประพันธ์คาถาพรรณนาความซ้ำที่พระนาคเสนวิสัชนาแล้วข้างต้นเป็นใจความว่ามหาเมฆตกลงมากระทำให้ประชาชนเย็นรื่นบรรเทาร้อนแล้วอนุมาณได้ว่ามหาเมฆตกชั้นใด มหาเมฆของพระบรมสุคตเจ้าก็กระทาให้เหล่านิกรสัตว์ร่าเริงบันเทิงใจอนุมานได้ว่าพระบรมศาสดาให้มหาเมฆคือพระธรรมตกลงมาชั้นนั้นราชาสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินได้ทรงสวราการฟังดังนี้ก็ทรงโสมนัสาการยินดีชื่นชมว่าสาธุพันเตนาคเสนะ ข้าแต่พระนาเคเกษนผู้ปรีชาปัญหานี้เปรียบด้วยธรรมเมฆของพระพุทธเจ้าตกลงมาชมระเสียซึ่งเอาวิชาการในสันดานสัตว์ทั้งหลายอุปมาทธิบายชะนี้ดีนักหนานิมนพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาซึ่งพระกําลังแห่งสมเด็จพระบรมโลกกนาชศาสดาให้พินโยภาะวะยิ่งขึ้นไปโดยเหตุดยปัจจัยในการบัดนี้ เรื่องเปรียบด้วยรอยเท้าคตสารกับรอยพระพุทธบาทพระนาค เ, เสน จ, จึงมีเถระวาจาอุปมาต่อไปว่ามหาราชขอถวายพระพ ร, พรบพิษพระราชสมภารขชะราชายังมีพระยาคตสารตัวหนึ่งปะวโรประเสริฐยิ่งกว่าช้างทั้งหลายสตุปเพโฐมีกายสูงได้เจ็ดศอกนวยายโม О, ยาวได้ก้าวสอกทัศปรินาโโหมีเครื่องประดับผูกสอดสิบประการธรณิคนโกเป็นเจ้าแห่งฝูงช้างทั้งหลายอันมีในธรณีเซตักโขหมีตาขาวเซตะวาโลมีหางก็ขาวเซตะนขะสีคารโมีปลายเล็บนั้นก็ขาวช้างนั้นขาวดุดสีหมอกและสเสวตาฉัด และวิมานอันขาวมีกายนั้นเต็มดุดบ่ออันไม่ได้พร่องมีอายตนะบริบูรณ์ไพศาลดูนิงามดุดจอมคิรีอันมีไม้หนุ่มๆสูงสร่างสรางต่างๆชนิดและพระยาช้างนั้นอาจจะ ก, กาจัดเสียซึ่งปัจจามิตรฆ่าศึกทั้งปวงได้มาตังโคมีสรีระกายนั้นใหญ่โตอีสาทันโต มีงางอนงามด้วยเสีริวิราชดังงอนไถมีกำลังอาจจะ ก, กาจัดเสียซึ่งปัจจามิตรมีฤทธิ์ห้าวหารเที่ยวชาญในการโทนเที่ยวในทิศ ต, ต่างๆพระยาช้างยังหนุม่มมีกำลังมากมายยิ่งนักหนาสกะมาลายังชหิตวาและเสียซึ่งที่อยู่ของอัตมาโคจรายะอนุคัตฉันโต เที่ยวไปเพื่อจะสแสวงหาอาหารในไพรสนประเทศกินหญ้าใบไม้และจับถอนขึ้นมาทั้งรากทกด้วยบาทาโน้มหนาวด้วยงวงย่างไม้ทั้งปวงให้วินาทไปในที่ทั้งสองข้างมักขาสัญจรเที่ยวมาตามลําเนาห้วยทานละหารเขาลําเนาปลามีรอยบาทาปรากฏที่ธรณีอันอ่อ น, ออนมนุษย์นิกรสัญจรเที่ยวไปทิศวานะ ครั้นได้เห็นรอยพระยาคดชสารตัวประเสริฐวิจิตไปด้วยบุญลักษณะอันต้องด้วยแบบอย่างเมื่อมนุษย์เห็นรอยบาทาแห่งพระยาค้เชนทรชาตชัดทันแล้วก็สาคัญเข้าใจด้วยอนุมานปัญญาว่าอัมโูดูกะชะชาวเราเอ๋ยพระยาช้างใหญ่มีที่ในป่านี้เป็นมั่นคงจึงมีรอยบาทาปรากฏอยู่เป็นพยาน ความประการนี้ยะถามีอุปมาฉันใดโสภควาอันว่าสมเด็จพระบรมไตรยโลกกนานตถานาโคประเสริฐเหมือนช้างนั้นโดยวิเศษด้วยเหตุว่ารอยพระพุทธบาทมีลักษณะวิลาชร้อยแปดประการทรงประดิษฐานไว้เป็นสำคัญเหมือนกุญชรฉัตรทันฉะนั้นตถาสีโห ถ้าเปรียบด้วยพระยาไกสรราชสีก็เหมือนกันตทานิสโภถ้าจะเปรียบด้วยสิ่งที่ประเสริฐพระองค์ก็ประเสริฐเหมือนกันตถาทันโตถ้าจะว่าด้วยบุคคลที่ทรมาน C, อ, อนนินทรีย์พระองค์ก็เหมือนดังนั้นถ้าจะว่าด้วยบุคคลมรณะบาปพระองค์ก็เหมือนดังนั้นและบุคคลอันประกอบด้วยอธิษฐานมีเพียรอุตสาหะ มีปัญญารุ่งเรืองมีพระญาณมีวะสีชำนาดีมีฤทธิ์รุ่งเรืองมียศมีเดชมีวิมุตตพ้นจากภัยเป็นสง์เป็นหมู่เป็นมรุสีเป็นนักปราดเป็นครูเป็นพระยาเป็นเทวดาเป็นอินเป็นเท้าสักกะเป็นพรหมและเจ้าว่าประกอบด้วยสรรพธรรมและสรรพคุณเป็นที่พึ่งที่อาศัยที่ซ่อนมร้น และประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมและกรุณาอนเนนชะสมาบัติและให้สําเร็จปรารถนาและฉลาดเหล่านี้สมเด็จพระบรมโลกกนาตก็เหมือนดังนั้นพระขวาอันว่าสมเด็จพระพัคขวันตะบอพิษเมื่อพระองค์เป็นบรมกษัตริย์ขปิละวัฒงฉัตยิตรวาพระองค์มาละเสียแล้วซึ่งกรุงแก้วกระ บ, บิลพัทปุระวรัง เป็นเมืองกษัตริย์อันเลิศด้วยวงมหาสมุิละเสียซึ่งพระราชบุตรอันพึงจะประสูตรในวันนั้นกับสมบัติอันประกอบด้วยสัตว์ ร, รัตนะเจ็ดประการและทั้งสเสวตชัติพระองค์ก็ตัดอาลัยไม่ยินดีสเสด็จหนีออกสู่มหาพิเนศกรมอยู่ในไพรสนอันสงัดแสวงหาซึ่งวิชยานอันประเสริฐเมื่อพระองค์จะกำจัดเสียซึ่งละอองทุลี กล่าวคือกิเลสราคะพระองค์จะพรากเสียซึ่งโมหะและมานะอุทจจะคือมัวเมาและกระด้างและสงสัยจะถอนเสียซึ่งเถราดาคือทิฏฐิอันมรายกาดทำลายเสียซึ่งเครวันคือความยินดีจะตัดเสียซึ่งโลภะโทสะทั้งหลายจะห้ามเสียซึ่งความเวียนว่าอยู่ในกระแสตัณหาและตัดเสียซึ่งวิตก อย่ห้ามเสียซึ่งทิฏฐิอลามกเป็นมิจฉาและปิดเสียซึ่งมักคาอันผิดอันเปิดออกซึ่งมักคาหนทางแห่งอมะตะมหานครนิพพานเปรืองสัตว์ให้พ้นจากสงสารสมเด็จพระบรมโล ก, กรนร า, าศาสดาจารย์จึงเสด็จขมานาการโดยมักคาหนทางคือพระอัศดางขิกมักก็ลุถึงซึ่งธรรมนครสำเร็จแก่พระสันเพชรดาญาน พระองค์จึงทรงประดิษฐ์านไว้ซึ่งโพชงวรบาทเจประการอันว่าโพชงวรบาทของสมเด็จพระาศาสดาจารย์เจ้านั้นมีอายตนะอันกว้างขวางประกอบด้วยลักษณะอันวิจิตโสภาทัศนิยานิควรจะเล็งแลดูเปมนิยานิควรจะยินดีเวทนิยานิควรจะเสวยอารมณ์โสมนัสนันทนิยานิ ควรจะปรีดาโสถิกรณิยานี้ควรจะกระทําซึ่งความเกษมอภยการณียานีิควรจะกระทําให้หาภัยไม่ได้อัศสากรณียานีิควรจะนํามาซึ่งความหายใจออกสบายอปริตาสะการณียานีิควรจะกระทํามิให้สะดุ้งตกใจปีติกรณียานีิควรจะกระทําให้ปีติ ปาโมชกกรณียานิควรจะกระทำให้ปรีดาปาโมชเอกะขะกขกรณียานิควรจะกระทำให้มีอารมณ์แน่วแน่ภาวนิยานิควรจะจำเริญสุภาวนิยานิควรจะจำเริญด้วยดีสุขทะทัฐานิจะให้สุขสีตะทัฐานิจะให้เย็นยะสะทัฐานิจะให้ยศพะละทัฐานิ จะให้กำลังวันนะทัาฐานิจะให้มีสีสันพันงามโภคะทัาฐานิจะให้มีโพคะสมบัติกามะทัาฐานิจะให้สำเร็จความใครปัิตะทฐาน้จะให้สำเร็จความปรารถนาที่ตั้งไว้สัพพะทัาฐานิจะให้สมบัติทั้งปวงพุทธสสะปัฏฐานิ อันว่าพระบาทแห่งสมเด็จพระพุทธสัพพันญูผู้ประเสริฐนั้นจะครอบงำเสียซึ่งลัทธิแห่งเดียรถีสัตถุปธานิซึ่งรอยแห่งศาสดาครูสอนทั้งหลายสีห์ปธานิซึ่งรอยเท้าแห่งราชสีทั้งหลายนาคปธานิซึ่งรอยเท้าแห่งนาคทั้งหลายอุสุภะปธานิซึ่งรอยเท้าอุสุภราชทั้งหลายวัสสะภะปธานิ ซึ่งรอยเท้าแห่งโคทั้งหลายยักษะปัฏานิซึ่งรอยเท้ายักษ์ทั้งหลายราชาปัฏานิซึ่งรอยเท้าแห่งพระยาทั้งหลายอินทะปัฏานิซึ่งรอยเท้าพระอินททั้งหลายเวทะปัฏานิซึ่งรอยเท้าของผู้มีเวททั้งหลายสักกะปัฏานิซึ่งรอยเท้าแห่งเท้าสักกะทั้งหลายปุรินทัตทะปัฏานิ ซึ่งรอยเท้าแห่งเท้าบุลินทัธะทั้งหลายพรหมปัฏานิซึ่งรอยเท้าแห่งพรมทั้งหลายสันตะปัฏานิซึ่งรอยเท้าแห่งผู้ระงับแล้วทั้งหลายคณะปัฏานิซึ่งรอยเท้าแห่งหมู่ทั้งหลายอิสิปัฏานิซึ่งรอยเท้าแห่งฤาษีทั้งหลายมุนิปัฏานิซึ่งรอยเท้าแห่งมุนีทั้งหลายชินะปัฏานิซึ่งรอยเท้าแห่งผู้ชนะทั้งหลาย วระปธะานิซึ่งรอยเท้าแห่งผู้ประเสริฐทั้งหลายอุ GU ตตมะปธานิซึ่งรอยเท้าทั้งหลายอันอุดมอักคะปธานิซึ่งรอยเท้าทั้งหลายอันเลิศและรอยเท้าพระบ ร, ร, ระบาทแ ห, ห่งสมเด็จพระสัพพันยูนี้เชิดทะปธานิเป็นรอยเท้าอันประเสริฐโดยวิเศษกว่ารอยเท้าทั้งหลายลาวิมุตติปธานิเป็นรอยเท้าจะถึงซึ่งวิมุติ พรหันตะปัฏานิเป็นรอยเทา้าจะบรรลุพระอระหันตอันทรงไว้ซึ่งอรหานตที่คุณพุทธปัฏานิอันว่ารอยพระบาทแห่งสมเด็จพระบรมโลกกาณศาสดาจารย์เจ้าของเราทั้งหลายนี้สัพพะพุทธปัฏานิย่อมแสดงรอยพระบาทแห่งสมเด็จพระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่ก่อนมหาราชาดูกระบบพิษผู้ประเสริฐ อาตมาเห็นแจ้งประจักษ์ใจฉชนี้ก็รู้ด้วยอนุมานปัญญาว่าอุลาโรโสภาควาสมเด็จพระพะวันตะโบพิษผู้โอลานยิ่งนั้นได้ตรัสรู้จริงๆในโลกนี้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีได้ทรงสวรนาการดังนี้จึงตรัสว่าพันเตนาคเสนาะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชา ยาณิปธานิอันว่ารอยเท้าแห่งสัตว์ทั้งหลายใดมีรอยกุญชอนชาติเป็นต้นนั้นณจิรังติดถันติไม่ได้สถิตอยู่นานถึงมากว่าจะสถิตอยู่นานประมาณห้าเดือนหกเดือนเท่านั้นตะโตประังเคลื่อนจากนั้นแล้ววินนัตสันติก็สูญหายไปพระคาวาโตปธานิอันว่ารอยพระบาทของพระพุทธองค์ คือพระโพธชงทั้งหลายเจ็ดนี้โลกยังไม่ได้ชิบหายด้วยเพลิงปารายโลกตราบใดพระโพธชงบาทนี้จะสถิตไปได้ตราบนั้นเป็นอัศจรรย์นักหนานิมนต์ผู้เป็นเจ้าสำแดงซึ่งพุทธพลานุภาพให้พินโยยิ่งกว่านี้อีกก่อนเรื่องเปรียบพระยาศีหราชกับพระพุทธองค์ พระนาคเกษณถวายพระพรอุปมาว่ามหาราชะดุกระบพิษพระราชสมภารสีโหอันว่าพระยาสีหราชวิคตะพยะเพรโวมิได้กลัวภัยอันพิลึกอัจฉริพีมิได้สะดุ้งอันนับพีโตมิได้หวาดเสียววิคตะโลมหังโสมีขนพองอันปราศจากไป ประปาณโลหิตะมิคะพักโขมีโลหิตแห่งสัตว์อื่นและเนื้อบริโภคเป็นพักษาอุปะวิปุละนิพัตตะคัตโตมีกายอันเกิดภัยบู์บอววรยิ่งมีสร้อยเกสรเป็นแถวตามคอมีขนลายพร้อยเป็นวงเวียนทักษิณาวัตรเกิดมาเป็นอับพิชาติสัตว์ทั้งหลายมิอาจจะประทุสร้ายได้และเป็นมรคขาธิีดี หมู่มรุีทั้งหลายใหญ่และน้อยเห็นซึ่งรอยเท้าแห่งราชสีก็มิอาจจะประราชนาการหนีไปได้ก็สลบซบเซาอยู่กับที่ราชสีนั้นประกอบด้วยกำลังประกอบด้วยอุตสาหาหาสัตว์อื่นจะเสมอมิได้ย่อมอาศัยอยู่ในป่าอันสงัดเสพซึ่งมรุกขชาติเป็นอาหารยามเมื่อสายยันหะสมัยเพลาเย็นย่ำสนทยา ราชสีก็ลีลาออกจากที่อาศัยเหลียวมาแลไปทั้งสี่ทิศเข้าไปแอบอยู่ในที่กำบังอันใหญ่ประปานังวิเหทยันโตเมื่อจะเบียดเบียนค่าเสียซึ่งสัตว์อื่นหรือจะยังพื้นธรณีดนและพวกแห่งตนให้ร่าเริงยินดีสีหะนาทางพินทติราชสีนั้นก็บลือออกซึ่งสัทธะสำเนียง คือสีหานาฏรื่นเริงบันเทิงใจขณะเมื่อราชสีบรนลือสีหานาฏออกไปนั้นสัตว์ทั้งหลายอันอยู่ในป่าในคูหาถ้ำทั้งหลายนั้นก็สะดุ้งตกใจวันหวาดแม้เป็นนกบินมาบุญอากาศก็ตกลงเป็นสัตว์จตุบาทก็ล้มลงกับที่คนทั้งหลายเห็นมริดราชสีแล้วก็เข้าใจว่าราชสีนั้นมีกําลังอนุภาพมากยิ่งนักหนา ยะถามีครุวนาฉันใดมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระาศาสดาจารย์ผู้ทรงพระภาคเป็นอันงามนี้วิคตะพยะเพรโวมีภัยอันพิลึกปราศจากพระพุทธหาหรืไทยอาชมพิตัพีตะโลมหังโศมิได้บังเกิดตกพระไทยกลัวและโลมาไม่ได้ชันวันไหว ประกอบไปด้วยพระบารมีคุณอันดุลลามเลิศหาสิ่งจะช่างให้เท่าพระคุณบารมีของพระองค์เจ้าไม่ได้พระองค์สั่งสอนสัตว์ให้ตั้งอยู่ในพระไตรสารณาคมเป็นอาทิและพระองค์ถึงแก่พระวิมุติเสเวตฉัตรครองสัพพัญยุตราชสมบัติในโลกุตราราชัยสวรรค์มีพระกายอันประกอบด้วยลักษณะอันวิจิตคือสถิตอยู่ในสุญญตาวิโมก รัพระนิโรธธรรมมีปกติสันโดษเร้นซ่อนอยู่ในป่าอันชัดคือพระองค์สถิตในป่าอันสงัดเงียบอัตตโนพุทาสยาอภินิคมิตวาเสด็จออกจากพระพุทธาสายประกอบไปด้วยพระยานอันองค์อาจบรลือซึ่งสัทธะสำเนียงเสียงพระพุทธสีหนาฏกล่าวคือประธานธรรมเทศนาโปรโดมนุษย์นิกกรเทวดาจำพวกใด ประปักกะมานาสามีใจประกอบด้วยปัญญาบารมีแก่กล้าวิสุทธจิตตามีจิตผ่องใสบริสุทธิ์พุทชิตสันติก็สำเร็จรู้ซึ่งใหญยธรรมของสมเด็จพระพุทธสัพพัญยูผู้ประเสรศิฐเยปนะมนุษษามนุษย์ผู้ใดเกิดมากุทิฏฐิมนุขตาถือมิจฉาทิฐิ62 คือสัตสตะทิฏฐิและอุเฉทะทิฏฐิเป็นต้นอันร้ายกาศครั้นได้ฟังพระพุทธสีหานาถก็ละเสียได้ซึ่งทิฏฐิอันร้ายนั้นส่วนพวกที่ถือมิจฉาทิฏฐิอันมั่นคงแรงกล้าตั้งอัตมาเป็นครูเจ้าหมู่ทั้งหกคนคือปุรากักสปะและมัคลิโคสาระอาชิตะเกสกัมพละปกุทธกจายนะ สัญชัยเวลทะบุตรนิคันธานาทะบุตรอันตั้งตัวว่าเป็นศาสดาและคนทั้งหลายที่เป็นมิจฉาทิฏฐิอื่นนั้นครั้นได้ฟังพระพุทธสีหานาถบรรลือออกซึ่งพระสัทธรรมเทศนาไม่อาจสามารถที่จะตอบโต้พระพุทธภาสิทธได้ก็หลบเร้นซุ่มซ่อนอยู่ส่วนสาวกของสมเด็จพระบรมครูเจ้านั้นครั้นฟังเสียงบรรลือพุทธสีหานาถ ก็บังเกิดประสาทะเลื่อมใสเหตุได้ซึ่งดอกไม้อันหอมคือพระวิมุตติธรรมอันล้ำเลิศมหาราชะดูกะระบพิษพระราชาสมภารอัตมาได้เรียนรู้พระพุทธสีหานาฏอันประเสริฐที่สมเด็จพระพุทธองค์ทรงพระอธิษฐานไว้ก็สำคัญเข้าใจด้วยอนุมานปัญญาว่าสมเด็จพระสัพพัญยูเจ้านั้น อนันตะปารมิฆโตเป็นผู้ถึงซึ่งพระบารมีคุณจะนับไม่ได้ขอถวายพระพรในที่นี้พระคันธารัจนาจารประพันคาถาแสดงข้อความที่พระนาคเสนถวายวิสัชนาแล้วนั้นไว้เป็นใจความว่ามูมรึกขชาติและสกุณปักษีทั้งหลายได้ยินเสียงพระยาราชสีอันเปล่งสุรสีหานาฏแล้ว ย่อมพากันหวาดหวั่นครั่นคร้ามสยดสยองซึ่งเป็นเหตุให้มหาชนอนุมานรู้ได้ว่านาทราชสีพระยาราชสีได้เป่งสุระสีหานาถชั้นใดสมเด็จพระบรมไตรโล ก, กนาถก็ทรงเปล่งพระพุทธศีหานาถให้เหล่าเดรัจฉ์ผู้เป็นมิจฉาทิฐิทั้งหลายขยั่นครั่นคร้ามเป็นเหตุให้อนุมานรู้ได้ว่า สมเด็จพระธรรมราชาได้ประกาศพระธรรมเทศนาไว้มีอุปมาฉะ น, นั้นสมเด็จพระเจ้ามิลินมีพระราชองการตรัสรับคำพระนาคเสนว่าพันเตข่าแต่ผู้เป็นเจ้าผู้เป็นเจ้าช่างอุปมาอันว่าเดรถีทั้งหลายพวกมิจฉาครั้นว่าได้ฟังซึ่งพระพุทธสีหานาถแล้วมิอาจจะโต้ตอบได้เป็นไปตราบเท่าจนทุกวันนี้ พินโยพุทธพลังชีเปหินิมนต์พระผู้เป็นเจ้าอุปมาอุปไมโดยเหตุโดยปัจจัยให้พินโยภาวะยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกก่อนพระเจ้าข้าเรื่องเปรียบมหาเมฆที่ตกลงบนยอดเขากับธรรมะนาทีพระน่ า, าเกษนจิงถวายพระพรว่ามหาราชะดูกระบอพิษพระราชสมภารอันว่าคงคาทั้งหลาย ย่อมไหลามาแต่ป่าหิมพานแล้วและไหลหลังลงสู่มหาสมุทรอันใหญ่ยะถามีอุปมาฉันใดอันว่ามหาเมฆอันใหญ่บรรดาที่ตกลงมาท่วมบ่อสะในหิมว่าเป็นน้ำป่าพัดขอนไม้ใหญ่น้อยและรากใบเป็นสวะลอยไปสัจจตุบาทน้อยใหญ่ คือมแมลงป่องตะขาบงูพังพอนสุนัข ก, กระต่ายและเสือป่าเป็นต้นก็พากันหนีขึ้นไปอาศัยอยู่บนดอนที่มีกำลังอ่อนหนีไม่พ้นน้ำฝนก็ท่วมตายหลายพัดพาไปสู่มหาสมุทรใช่แต่เท่านั้นอุทกะขันยังพัดพาเอาสิ่งโสโครกบรรดามีให้ไหลไปสิน้นชำระปัฐพีให้สะอาดหมดลามก และน้ำก็ไหลไปสู่มาหาสมุทรจนแห้งหมดไม่เหลือเลยอัปรเรนะสมัยเยนะครั้นต่อมาณสมัยเป็นอปรภาคมาหาชนทั้งหลายเหล่าอื่นสัญจรมาได้เห็นคราบน้ำปุ่มเปือกติดอยู่ตามกอหญ้าและยอดไม้และรวงรังที่สัตว์เคยอยู่พื้นดินขึ้นไปทำเป็นที่อาศัยตามซุ้มเชิงอันเป็นที่สูงอนุมาเนนะชา น, นติ ก็อนุมาณเข้าใจได้ว่ามหาวัตโภธกะราศีนั่นแน่ที่นี่เคยมีห่วงน้ำใหญ่ไหลมาท่วมดูสิคราบขึ้นไปอยู่ถึงยอดไม้ข้อความเปรียบนี้ยะถามีขรุวนาฉันใดมหาราชะขอถวายพระพรบพิษผู้ประเสริฐอันว่าธรรมะนาทีอันเลิศของสมเด็จพระสัพพันอยู่ก็เหมือนกัน อนุปุเพนะสันธมานาเมื่อไหลมาโดยลำดับกันขณะนั้นก็ไหลสู่สาครปากอา่าวอันกล่าวคือพระนิพพานอสังขตังอันหาปัจจัยาการประชุมตกแต่งไม่ได้อชรามอมรณะสุขิตะภาวังไม่รู้แก่ไม่รู้ตายมีสภาวะเป็นสุขสบายยิ่งนักหนา เหตุว่าสมเด็จพระสัพพันยูเจ้าออกจากมหากรุณาสมาบัติยังโพธัยยกะสัต์คือสัตว์อันสร้างบา ร, รมีมาแก่กล้าให้รู้ธรรมวิเศษอย่างโลกมนุษย์และเทเวศให้อิ่มไปด้วยธรรมะเมฆเป็นอันมากให้กำจัดเสียซึ่งราคะโทสะโมหะมานะและมัก ข, ขะคือความกระด้างและหลูคุณท่านผู้อื่นว่าตนดีกว่า และพระองค์เจ้าก็กมจัดเสียซึ่งเถราดาวันคือความยินดีอันกล้าและสกายะอุทจฉวิจิกิจชาและตัณหาอันรกชัดใช่น้อยให้ลอยเสียซึ่งอเนสนาธรรมราบาปกรรมอันพิลึกต่างๆให้ล่วงเสียซึ่งเปือกตมคือโมหะและเลนคือมานะและเปลือกตมกล่าวคือลาบสการะ และให้ย่ำยีเสียซึ่งสุภานิมิตและความเกียรติคร้านการทะเละวิวาททั้งปวงและจะระ ง, งับเสียซึ่งอำนาจโกรธและกิริยาที่ยกโทษใส่ท่านลบหลู่คุณท่านและจะนำเสียซึ่งโทษสาธารณะทั่วไปเปลื่องเสียให้พ้นจากอากุศลโปรดให้พ้นถึงพระอระหรันยังสัตว์ให้หลายไปสู่พระนิพพานสาครน มหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐอันว่าธรรมสาครอันเลิศของสมเด็จพระพุทธสัพพัญยุบ ร, รมครูเจ้านี้กว้างใหญ่มีฟังหาที่สุดไม่ได้มีลูกระรอกจะนับนั้นไม่ได้คือพระสัธรรมจะพร่องหรือเต็มก็ไม่ได้ปรากฏอาตมาเข้าใจด้วยปัญญาดังนี้จึงรู้ว่า อปมโยโสภัควาสมเด็จพระพัควันตะบพิษทรงพระคุณจะนับจะประมาณไม่ได้ขอถวายพระพรในที่นี้พระคันธารเจนาจารพระพันคาถาแสดงข้อความที่พระนาคเสนถวายวิสัชนามาแล้วข้างต้นนั้นไว้ว่าบุคคลเห็นซึ่งแผ่นดินอันเป็นคราบน้ำและปุ่มเปลือกอันติดหญ้าอยู่ก็รู้ด้วยอนุมานปัญญาว่า ฝนตกลงมามีอุทกกะวารีห่วงน้ำฝนมากด้วยเหตุว่าได้เห็นคราบน้ำฝนนั้นติดย่อมหญ้ามากยิ่งนักยญาถามีครุวนาฉันใดบัณฑิตเห็นสัตว์ลอยอยู่ในกระแสธรรมก็เข้าใจสำคัญว่าพระธรรมขันนี้ใหญ่ดุดห่วงแห่งอุทกังในสาครก็มีอุปมาฉันนั้นนะพระราชสมภาร สมเด็จพระเจ้ามิลินปินกษัตริย์มีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาฆเสนข่าแต่พระนาคเสนผู้ปริชาธรรมะนาทีนี้สมเด็จพระมหามุนีทรงบัญญัติไว้เพื่อให้ลอยกิเลสหรือพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเสนจึงมีเถระวาจาว่าอามะมหาราชขอถวายพระพรธรรมะนาทีนี้สมเด็จพระมหามุนี ทรงบัญญัติไว้ให้ลอยกิเลสสมเด็จพระเจ้ามิลินจึงมีพระราชโอการตรัสว่าเตนะหิถท่ากระนัน้นนิมนต์พระผู้เป็นเจ้าแสดงพระพุทธกำลังให้พินโยภาวะยิ่งขึ้นไปโดยเหตุโดยปัจจัยอีกก่อนพระนาคเสนรจรึงถวายพระพร อ, อุปมาว่ามหาราชาดูกระบอพิษพระราชาสมภารผู้เป็นมหิสาธิบดีธรรมดาว่า ฤดูดอกไม้ทั้งหลายอันมีสะวะคนทรสอันหอมวิเศษคือพิกุลบุญนาคจำปาการเกตอันวิเศษอุดมย่อมมีกลิ่นหอมระรื่นชื่นใจไปตามลมฝูงชนไม่ได้เด็ดดมแต่หอมกลิ่นอันมาตามลมนั้นก็สำคัญด้วยอนุมานปัญญาว่ากลิ่นบุภผาสุขคนธาอันมีอยู่เหนือลมชั้นใดอันว่ากลิ่น คือศีลที่บุคคลสมาทานก็หอมเหมือนดอกไม้นั้นศีลอันประเสริฐอุดมนั้นมีพระไตรสารณาคมเป็นที่ตั้งคือศีลห้าศีลแปดและพระบาติโมปริยาปันสีลและอุเทสปริยาปันสีลและจาริตวาริตศีนกลิ่นศีล น, นี้หอมไปในมนุษยโลกและเทวโลกกลิ่นศีล น, นี้ ดุ ด, ดอกไม้มีกลิ่นอันหอมเหตุดังนี้อาตมาจึงรู้ด้วยอนุมานปัญญาว่าอัติโสภควาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันยิ่งมีอยู่ในโลกนี้ขอถวายพระพรในที่นี้พระคันธารจนาจารย์ ก็ประพันธ์คาถากล่าวความซ้ำกับที่พระนาคเสนถวายวิสัชนาอุปมาข้างต้นนั้นมีใจความเปรียบกลิ่นศีลกับกลิ่นดอกไม้ที่หอมระรื่นตามลมมาอันเป็นเหตุให้รู้เพราะได้สูบดมจึงทราบได้ว่ามีอยู่ดุในัยยะที่กล่าวแล้วในหนหลังมหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภาร อันว่าจะประมาณซึ่งกำลังแห่งพระพุทธคุณโดยเหตุโดยปัจจัยและโดยในนับเป็นพันๆนั้นอาตมาไม่อาจแสดงได้อาตมานี้เปรียบดังนายมาลาการอันเข้าไปในสวนอุทยานซึ่งประกอบด้วยดอกไม้ต่างๆแล้วเก็บดอกไม้มาร้อยกรองให้วิจิตงดงามตามที่อาจารย์สั่งสอนมาโดยควรแก่กำลังนั้น อาตมาก็ปาน ก, นกันกับนายมาลาการชนีบพิจงโสมานัตปรีดาในพระพุทธคุณที่อาตมาวิสัชนามาในการบัดนี้สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิปดีได้สวนาการพระนาคเสสนวิสัชนาดังนั้นก็มีน้ำพระทยโสมนัตรัสสรรเสริญว่าพันเตนาคเสณะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชา ผู้เป็นเจ้านำซึ่งอุปมาอุปไมามาเปรียบเทียบให้เห็นว่าพระพุทธคุณานุภาพยังไม่สาบสูญบริบูรณ์เป็นอันดีที่โยมคิดถามก็สำเร็จความปรารถนาปัญหานี้จะได้เป็นที่ทำลายเสียซึ่งคำเดรัจฉทั้งปวงสืบต่อไปนี้อนุมาณปัญหาเป็นคำรบแปดจบเพียงนี้